ไม่เคยใช่อุบายเลี่ยไรหันมาปาลารบเรื่องยุคผู้เจ้าก่อได้ 3, สามพรรษาพรรษาที่สี่ก็เลือกระตอบฝังทิง้งญาติโยมบ้านแวงมีพ่อศิลเป็นผู้รีเริ่มทํากุฏิสามมิขีขึ้นกว้างสามเมตรยาวสี่เมตรกว่างต่อแต่นั้นก็ค่อยทยอยขึ้นปีละหลังบ้างสองปีต่อหลังบ้างปีละสามสี่หลังก็มีเป็นวงของคุณนกผดลจากกรุงเทพแต่ก็ไม่อยากจะเล่าเรื่องก่ อ, ก อ, กอสร้า ง, งดอก เพราะใครๆอยู่ที่ไหนไหนก็พอได้พูดกันอยู่ในเรื่องนี้ทีแรกก็นึกว่าจะเอาเด็ดๆเดีดเด่ยวๆจะไม่ก่อสร้างใดๆทั้งสิน้นแต่อยู่นานติดต่อกันไปหลายปีมูพระเนนมาพักอาศัยไม่มีที่พักก็จําเป็นได้ทําแต่มิได้แผ่มิได้ขอเลี่ยเรี่ยลายๆให้ปีนเกี่ยวของธทรมีมาโดยชอบทำก็จึงทําไม่ได้ใช้อุบายจัดงานในวัดเพื่อหาเงิน ขุดๆเก้าๆมาก่อสร้างทําพอได้อยู่ได้พักเท่านั้นและก็อาศัยน้ําฝนจากหลังคาลงสู่ถังเพราะภูลูกนี้มีได้มีน้ําเป็นหลักก็จําเป็นจําไปและเมื่อไม่น้อมว่าเป็นสมบัติของตัวแล้วกิเลสก็คงไม่กําเริบมากเท่าไรนักหนาน้อมเป็นของพระพุทธศาสนาแล้วกิเลสก็เบาบางลงขนองตัวไม่ได้จะน้อมเป็นของตัวก็ได้จั่วคราวก็แต่เพียงบริขารแปดเท่านั้น แม้ถึงอย่างนั้นก็ยังได้สับเปลี่ยนให้องนั้นองค์นี้อยู่ไม่ว่าแต่เท่านี้แม้หนังหุ้มอยู่โดยรอบที่ยืมมาจากธาตุดินน้ำไฟลมก็จะได้ส่งคืนให้ดินน้ำไฟลมอยู่เพราะจะได้แตกสลายลงสู่ธาตุเดิมอยู่ดินแตกไปเป็นดินน้ำแตกไปเป็นน้ำไฟแตกไปเป็นไฟลมแตกไปเป็นลมลงสู่มหาปูตธาตุเดิมคงที่ด้านกิเลสคือความหลงไม่รู้เท่าปัญหาของตน ที่มาหลงดินหลงน้ำหลงไฟหลงหลมก็จะได้มาสร้างดินสร้างนา้ำสร้างไฟสร้างลมเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าดินเฝ้านา้ำเฝ้าไฟเฝ้าลมขันอยู่เหมือนนกเขาขันว่าของกูของกูของกูอยู่ก็ต้องขึ้นอยู่กับกรรมของผลของกรรมอีกพระพุทธศาสนาเป็นของลึกซึ้งไม่เป็นสิ่งที่ผู้หูหนาตาเถื่อนจะเข้าใจความหมายได้ไง่ายๆฉะนั้นในโลกจึงมักจะเจอแต่คนตาบอด มาอวดสนเข็มกับคนตาดีเป็นส่วนมากฝ่ายแจวเรือภายเรื อ, อข้ามน้ํามีน้อยคือเขาโกส่วนขนโคเป็นฝ่ายกลางขาลงโต้น้ําให้เรือวนเรือฝึก ด, ด้านจิตใจหนักไปในทางกิเลสด้านมันสมองก็มันไปทางกิเลสมอบให้ใจเป็นใหญ่ทั้งทางความทางไหนมอบให้มันสมองเป็นใหญ่ทั้งทางความทางไหนใจมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสไม่ต้องมีกรรมการเลือกเป็นเลยมันสมอง มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมการเลือกเฟ้นเลยด้านสติปัญญาก็เหมือนกันไม่มีกรรมการเลือกเฟ้นเลยเสือมันก็มีสติปัญญาอยู่แต่สติปัญญาของมันมุ่งจะคุบเขามาใส่กระเป๋าทองของมันเมื่อจิตใจและธรรมยังไม่ถึงพระอริยะบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วย่ำเป็นผู้กินไม่เลือกทั้งนั้นธรรมะแท้เป็นทรัพย์สินของนัราชแต่เป็นหอกเป็นเงาเป็นฟืนเป็นไฟของคนผ่าน หมายความว่าพวกคนพานเข้าใจความหมายอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วหาได้เป็นฟืนเป็นไฟเป็นหอกเป็นงาวกับไค่ไม่เป็นจริงอยู่ตามธรรมชาติของบาปุญมักผล น, นิพพานคงที่ยุคผูเจ้าก่อปัจจุบันยุคปูเจ้าพ่อนนี้นับแต่ยุคต้นมาจนถึงปัจจุบันที่เขียนอยู่นี้ไม่ว่าบรรพชิตและคลาวาใกล้ไกลต่างก็พากันดูแลช่วยเหลือตามสติกาลังของตนอยู่เท่าที่จะทาได้ ฝ่ายพระเนนยุกต้นแท้ก็คุณอินถวายคุณศรีลาโยมบิดาของคุณอินพร้อมทั้งเผ่าพงวงตระกูลพร้อมทั้งวงวานของคุณย่าเคียววงแม่ออกกำนันชีวันกำนันบัวผันและทุกๆุกท่านไม่สามารถจะเอามาลงให้หมดได้นางสว่างพัฒนากรวงผู้ใหญ่ตานอีกสารวัตรสำเนียงย่อมมีคุณแก่ข้าพระเจ้าอยู่แต่ละท่านละคนไม่ทางหนึ่งก็ทางหนึ่งและขออภัย ที่ไม่ได้เขียนออกชื่อไว้ครบในที่นี้ด้วยตัวของข้าพเจ้าเองไม่ได้หัดเป็นนิสัยอักตะตำอยู่มนุษย์เลยย่อมถือเอาเยี่ยงอย่างพระมหาสารีบุตรมาคำนึงอยู่บ่อยๆพระมหาสารีบุตรนั้นพระลาธาคลาวเป็นคลาวาดอยู่ได้ใส่บาทให้พระสารีบุตรเพียงทัพีเดียวเท่านั้นองค์ท่านก็จดจำระลึกไว้ได้ดังมีในเถรประวัติถ้าจะถูกกล่าวตูว่าการเขียนอย่างนี้เป็นการประจบประแจง ผู้เขียนก็มีที่อ้างอย่างนี้เพราะมนุษย์โดยมากมักจะอกตันอยู่กันถ้าเกลียดโกรธใครก็มักแต่จะเอาสิ่งนั้นมาเป็นเจ้าหัวใจบูชาไฟโทสะเป็นการหักดอกไม้บูชาความโกรธของตนพร้อมทั้งอุ ป, ปนาหาผูกกดไว้เวรก็ไม่มีหนทางจะเบาบางลงและระงับได้คนแต่ละคนก็ต้องได้ทาความดีไวให้เราไม่อันหนึ่งก็ต้องอันหนึ่งให้จงได้ถ้าชาตินี้ไม่มี ชาติก่อนก็คงมีและชาติหน้าไปอีกเล่าก็ยังอักโขถ้าเชื่อว่ามีชาติหน้าพบหน้าชาติก่อนพบก่อนแล้วการทำคุณให้แก่กันและกันก็ดีการละลึกถึงคุณของกันและกันก็ดีการไม่ควรทำเวรแก่กันและกันก็ดีการเชื่อกรรมและผลของกรรมก็ดีการเชื่อพุทธธรรมสง์ก็ดีการทำต่อกันและกันก็ดีเชื่อกรรมและผลของกรรมในปัจจุบันนาชาติก็ดีเชื่อว่าบาปุญมี มรรคผลนิพพานมีในปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมก็ได้มาหาทรัพย์ภายในขุมต้นมากกว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินอันเป็นศรัทธาทรัพย์พและปัญญาทรัพย์สมดุลกันแล้วเป็นทรัพย์ที่ไม่สูญหายไปไหนด้วยมีได้หอบมีได้หิวมีได้แบบมีได้คอนมีได้เอารถมีได้เอาเกวียนขนให้ยากด้วยไม่มีท่านผู้ใดจะมาลักไถ่ลักถอนลักจี้ลักกล่นตกน้ําก็ไม่จมไม่พัดไม่พลาดไม่จากไป เป็นเงาจิตเงาใจไปตามตัวใจไปตามตัวธรรมเบามากข้ อ, อนี้ย่อมเป็นธรรมอันจริงเป็นใจอันจริงเป็นปัญญาอันจริงเป็นศรัทธาอันจริงของพระอริยะบุตรคลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตย่อมเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นแต่เหตุชั่วใครจะบัญญัติเอาตามกิเลส ข, ของตนสักเพียงไรก็ตามว่าเหตุ ด, ดีเหตุชั่วนั้นจะกลายเป็นเหตุ ด, ดี ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้อีกเหตุ ด, ดีแท้จะบัญญัติผิดว่าเหตุชั่วเหตุนั้นก็เป็นเหตุชั่วไปไม่ได้เพราะมีผลในเหตุนั้นนั้นเป็นสารยุติธรรมตัดสินอยู่ปลายทางไม่ลำเอียงในโลกไห น, นไหนในธรรมไหนไหนผู้ที่จะเลือกเหตุดีเหตุชั่วได้สนิทใจไม่ลังเลก็ต้องเป็นผู้แยกใครในเหตุดีเหตุชั่วมาแล้วพร้อมผลลัพธ์ทั้งสองฝ่ายมาชำนิชำนาญเป็นอาจารย์สอนตัวให้รู้ตัว ทั้งทางขึ้นทางล่องว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์สุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้โดยชัดแจ้งมิฉะนั้นแล้วก็เลือกเหตุเลือกผลไม่ได้จนวันตายย่อมถูกต้มตุนโดยความไม่แยกขายของตนอยู่ตราบนั้นกรรมและผลของกรรมเหตุและผลของเหตุพืชและผลของพืชเจตนาและผลของเจตนาการลงมือทําและผลของการลงมือทํำ ก็มีความหมายอันเดียวกันแต่ให้ผลต่างกันในทางดีทางชั่วอปัยยมุกทุกประเภทเป็นเหตุพืชกรรมการลงมือทมและเจตนาเป็นทางฉิบหายผูกขาดอยู่แล้วไม่มีมนุษย์เทวดามารพลมและพระพุทธเจ้าองค์ใดๆจะมาทำให้เจริญได้ในตอนนี้นอกจากจะละเว้นเสียให้ห่างไกลเท่านั้นทำอันนี้เป็นคำสอนคลาวาตรงๆส่วนพระเนนนั้นต้องเว้นกันไปผูกขาดแล้ว นีฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นหมาป่าเต่าปีในนิทานอีศกและไม่รู้จักความหมายของพระเนนของพระพุทธศาสนาอีกด้วยรมเนียมอันเป็นทำแท้ของพระเนนต้องปฏิบัติทำวินัยชั้นสูงขึ้นไปเป็นหัวจักของชาวโลกถ้ายังเสนอหน้ามาเล่นการพานันอันเป็นอบายยมุกอีกนุ่งผ้าเหลืองเสียผ้าเหลืองนุ่งผ้าขีเลียวถือเสียมไปขุดปูตามทุ่งนามากินเหมือนเด็กเสียดีกว่า แต่เด็กผู้ไม่ห่มผ้าเหลืองเขาไม่ข่าสัตว์ก็ยังมีอบายยมุกไม่มีอยู่ในครอบครัวใดครอบครัวนั้นจะเจริญก้าวหน้าทั้งซับภายนอกและภายในสูงส่งโดยรวดเร็วโลกปัจจุบันมันข้องอยู่แต่ไออันมีคิดเห็นอันใดก็เขียงขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นแนวเป็นแถวติดต่อมาอยู่ปีทีแรกญาติโยมทํากุฏิเล็กเป็นกระสอบฟังทั้งมุงและกั้นด้วยฟังอยู่ได้ 3, สามพันษา พรรษาที่สเขาทํากุติปูกระดานไม้เปลือยกว้างสองเมตรเก้าสิบเซนยาวสี่เมตรกว่ามุงด้วยกระดานแต่กั้นด้วยฝาไม้ไผ่สารที่เรียกว่าฝาไม้เฮียตามชาวอีสานทําเป็นฝาสารแล้วขอบลิ่มให้แน่นแล้วปลูกแขวนคำเอาคั้นอยู่มาอีกสามปีก็เลยลื้อปากออกกั้นด้วยกระดานไม้ตะเคียนคั้นอยู่มาก็ค่อยงอกที่นั้นทีนี้ตามภาษาของวาสนาอาณาถา พอได้อยู่ได้อาศัยแต่มีใช่โอโถงภาคภูมิอะไรถ้าเทียบใส่คลาวาดก็แบบหาเจ้ากินเย็นจับรัดจับหลูเป็นธรรมเทศนาทุกข์อยู่ในตัวมีให้ลืมหลงได้เลยสถานที่และลาบยศก็พอดีกับกจิตใจทำอันยาบต้องถูกท ร, รมานอยู่แบบขู่ว่าหือหือเห็นไหมกองทุกเข็ดหรือไม่เข็ดลาบหรือไม่ลาบไอหน้าระยำดังนี้เสมอเสมอที่อัจฉัิพ ร, รมา น, นี้ เป็นมหาอาจารย์เตือนสติอยู่มีให้สงสัยในเรื่องชาัดๆพบๆคำว่าชาัดๆพบๆพบแล้วจะเอาวัตถุภายนอกมาพอกหลวงไว้เต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินมีแต่ขุมทองตั้งล้านๆขุมก็ตามผลลัพธ์ก็คือทุกขาดตัวนั่นเองเวีนพระอริยะเสียเพราะจิตใจและทำเหนือสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเพราะเครื่องผูกได้ขาดไปแล้วถอดออกแล้ววัตถุนิยมไม่เป็นเชือกจะผูกท่านใด เพฝึกจิตใจให้เหนือวัตถุนิยมไปได้เพราะองค์ท่านไม่ติดอยู่ในสมมติว่าได้ได้และไม่ติดอยู่ในสมมติว่าเสียเสียได้ก็มอบคืนให้ได้เสียก็มอบคืนให้เสียมีได้ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองยอมตัวทำจิตใจให้เป็นโสดทำที่เป็นอาหารของใจใจที่เป็นอาหารของธรรมก็พลอยเป็นโสดไปในตัวไม่ขี่หึงกันทำก็ส่งคืนให้ทำไปในตัวใจก็ส่งคืนให้ใจไปในตัว มีได้มาเป็นศัตรูสงครามกันใจและธรรมก็ไม่มีใครปลูกปัญหาให้กันและกันเพื่อเอาคะแนนแพ้คะแนนชนะธรรมะชั้นนี้เป็นธรรมะลึกผูกขาดของผู้ใจสูงอยู่แล้วแต่ธรรมทรงอยู่ก่อนใจเป็นธรรมชาติอันละเอียดกว่าใจแล้วถ้าธรรมไม่ทรงมีอยู่ก่อนใจแล้วใจก็ไม่มีหนทางจะรู้ทําได้และไม่มีหนทางจะเลือกเป็นได้พระอระหันต์สิ้นลมปราณ เข้าสู่อนุปานิเสสานิพานไปแล้วไม่เป็นหน้าที่ที่จะไปบัญญัติว่าใจใจอีกเลยเพราะไม่สมเกียรติบัญญัติได้แต่เพียงว่าทำอันไม่ตายาธาตุอันไม่ตายอายตนะอันไม่ตายอินทรีย์อันไม่ตายแปลว่าเป็นใหญ่ในทางอันไม่ตายเพราะทำก็ดีาธาตุก็ดีอายตนะก็ดีอินทรีย์ก็ดีไม่ยิงอาศัยกับกองนามรูปแล้วและกองนามรูปเรา ก็ไม่เป็นหน้าที่จะไปแอบอาศัยได้เป็นของละเอียดละออมากมายจนไม่มีที่จะเปรียบเทียบได้ผู้มิได้เห็นชัดซึ่งสังขารที่เกิดขึ้นที่แผลปลวนที่ดับไปติดต่ออยู่อย่างไม่ขาดสายและไม่ได้พิจารณาให้ติดต่ออยู่พร้อมกับลมออกเข้าแห่งพระอาณาปานาสติแล้วฉะไหนจิตใจพร้อมทั้งสติปัญญาอันสมดุลกันในขณะเดียวอันเป็นปัจจุบันทันตาทันใจทันปัญญา ท่านรำจึงจะเอ็นไปโอนไปน้อมไปยินดีไปหนักไปด่วนไปในพระนิพพานได้เพราะบารมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่เพราะอำนาจกรรมและผลของกรรมอันเป็นตัววัตจักรอวิชาความหลงเป็นเจ้าใหญ่นายโตผลักดันอันดองอยู่ในขันทสันดานผูกมัดลัดลึงไว้จิตใจยังโอนไปเอ็นไปน้อมไปหมุนไปทรายไปดึงดูดไปจูงไปเป็นผาหุนลกรรม กรรมที่เคยติดมาจนชินเป็นอาจินนกรรมเป็นแม่เหล็กดึงดูดในทางวัตถุนิยมภายนอกและภายในวัตถุนิยมภายนอกมีรูปเสียงกลิ่นรสโพธิ์พระในส่วนรูปประขันภายนอกทำภายนอกท่าภายนอกวัตถุนิยมภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ารูปประขันภายในทำภายในท่าภายในหรืออินทรีย์ภายในก็ว่าส่วนนามนิยม การภายในก็คือใจทำภายในก็ว่าธาตุภายในก็ว่าเรียกว่านามารำนามาธาตุนามาอินทรีย์นามาสันภายในก็มีความหมายอันเดียวกันส่วนนามาทำภายนอกทำมาลมภายนอกก็ว่าคู่ต่อสู้ที่แท้จริงแล้วทำภายนอกภายในเหล่านี้เล่าธาตุภายนอกภายในเหล่านี้เล่าทั้งหมดมารวมกันแบ่งออกเป็นสามการปัจจุบันการอดีตการอนาคตการ เกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแปลปลวนในถ้มกลางดับเป็นสุดท้ายเป็นนิจจวัดหาระหว่างไมิได้เมื่อปัญญายานันไม่เห็นแจ้งในฝ่ายนิโรธสัจจะเป็นเนืองนิดติดต่ออยู่แล้วความเบื่อหน่ายจากความหลงความคลายเมาจากความหลงความหลุดพ้นจากความหลงก็ไม่มีหนทางจะปรากฏยางวิมุติอันท่องแท้ก็ยิ่งไม่มองเห็นพอริบลีเลยเมื่อฟันยังไม่ถึงแกมจะเห็นแกมอย่างไรได้ เมื่อปันเมื่อเลื่อยยังไม่ขาดจะสมมติว่าขาดอย่างไรได้เมื่องานยังไม่เสร็จจะสมมติว่าเสร็จอย่างไรได้จะหลับหูหลับตากโกหกตนก็ไม่พ้นพิษอันเดือดร้อนอีกละเพราะความลับไม่มีในตนคือโลกภายในอัจฉริยโลกปัจจุบันนาโลกปัจจุบันนสังขารก็ว่างปัจจุบันกิเลสก็ว่างเพราะกิเลสมีทั้งปัจจุบันกิเลสอดีตกิเลสอนาคตกิเลสถ้าปัจจุบันนาจิต ปัจจุบั น, นธรรมไม่มีกำลังพร้อมด้วยสติปัญญาอันแก่กล้าเหนือความหลงหลงไปแล้วย่อมตีเมืองกิเลสไม่แตกฉะนั้นแล้วกิเลสมันจึงมักจับเอาไปเป็นเฉลยศึกไฟลาคะไฟโทสัและไฟโมหะกับไฟกิเลสกับไฟโลภไฟโกรธไฟหลงนั้นต่างกันอย่างไรก็ต้องมีความหมายรสชาติอันเดียวกันหลายชื่อหลายนามหลายสมมติเรียกกันเฉยๆจะบรรเทาระงับได้ ด้วยศีลสมาธิปัญญาอันถูกต้องของทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นไฟภายนอกจะระงับได้ด้วยน้ําภายนอกหรือระงับได้ด้วยไม่ให้เกิดขึ้นในต้นมือเท่านั้นไฟภายนอกมีโทษมหันต์มีคุณอนันต์ขึ้นอยู่กับการใช้ถูกและไม่ถูกไฟกิเลสมีโทษโดยส่วนเดียวมิได้มีคุณไฟภายนอกดับได้ด้วยน้ําภายนอกแต่ไฟมากน้ําน้อยน้ําก็ดับไม่ได้น้ํามากอยู่ แต่ไม่รู้จักวิธีดับก็ใช้ไม่ได้อีกเพราะธรรมดาไฟเมื่อไหมลงไปแล้วและมีเชื้อล่อมากมายอยู่แล้วไม่เป็นหน้าที่ของไฟจะคอยให้น้ํามาดับตนมีหน้าที่ไม่ไปสะพืดน้ําก็ไม่เป็นหน้าที่ว่าเราจะคอยเป็นกองปราบดับไฟฉันใดก็ดีศีลสมาธิปัญญาก็มิได้ยืนยันว่าเราจะเป็นกองปราบกิเลสเลยถ้าประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาน้อยแต่ประกอบกิเลสมากกว่าง ศีลสมาธิปัญญาก็ปราบกิเลสไม่ชนะเรื่องแพ้เรื่องชนะภายนอกไม่เป็นที่นิยมชม ช, มชอบของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องเวณสนองเวณเรื่องภัยสนองภยัยเป็นเรื่องกรรมสนองกรรมเป็นเหตุสนองเหตุเป็นเรื่องภายนอกของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นโอปะนญิโกโภายในของพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าถ้าตนแพ้ก็ตนแพ้กิเลสของตน คือความหลงถ้าชนะก็ชนะความหลงของตนไปเป็นตอนๆก็ดีหรือโดยสิ้นเชิงก็ดีมีกฎเกณฑ์และความหมายของพระพุทธศาสนาเท่านี้แต่ชาวโลกียวิสัยชอบนิยมชมชอบว่าตนแพ้คนอื่นพวกอื่นหมู่อื่นบ้านอื่นตำบลอื่นจังหวัดอื่นภาคอื่นประเทศอื่นและมักนิยมชมชอบว่าตนชนะคนอื่นพวกอื่นหมู่อื่นบ้านอื่นตำบลอื่น อำเภออื่นจังหวัดอื่นภาคอื่นประเทศอื่นจนเป็นยาเสพติดนิสัยแก้ยากถ้าหากว่าโลกทั้งปวงต่างมุ่งหน้าประชันขันแข่งเพื่อสู้ลบขกัดกับกิเลส ข, ของตนแล้วโลกก็เต็มไปด้วยความเมตตาสามัคคีจะประสบแต่ความล่มเย็นปราศจากเวรไภนอนหลับสนิทไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบด้านเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันรักชีวิตตนก็ต้องรักชีวิตผู้อื่นด้วย รักความสุขตนก็รักความสุขผู้อื่นด้วยรักเคารพของของตนก็ต้องรักเคารพของของผู้อื่นด้วยทะเลเลือดทะเลน้ําตาทะเลเวรทะเลภัยก็สงบไปเพียงรักษาศรรีลห้าเท่านั้นกฎหมายโลกกฎหมายธรรมก็บริบูรณ์แล้วไม่ต้องบัญญัติหลายมาตราก็ได้พระพุทธศาสนาเป็นกฎของธรรมตายตัวทั่วทั้งกายโลกกาทั้งโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันด้วย เป็นกฎของธรรมแท้อยู่ทุกการธรรมสมัยอยู่ทุกการมีใช้ทำเถือนมีใช้ทำเดามีใช้ทำดลมีใช้ทำคาดคะเนเป็นธรรมมีแต่เนื้อไม่มีก้างเจือพนมีได้นิยมเพศชั้นวันะเลยศาสนาธรรมคุ้มครองโลกพระพุทธศาสนาเป็นธรรมคุ้มครองสัพพโลกอยู่โดยตรงๆแล้วผ่านการบ้านการเมืองไปแล้วข้ามไปเป็นการคุ้มครองโลกเหนือไปกว่าการบ้านการเมืองไปอีก พระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าทําเป็นโล ก, กบาลคือคุ้มครองโลกได้มีอยู่สองข้ออิลิความละอายต่อบาปทุจริตโอตตะปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตถ้าหากว่าทำสองข้อเท่านี้มีประจําใจของมนุษย์อยู่ทุกๆุกท่านทุกๆุกหัวใจเป็นครูบาอาจารย์กระสิบบอกและเตือนตนอยู่ทุกหัวใจแล้วกฎหมายก็ดีธรรมะก็ดีก็ไม่ต้องได้จําได้เรียน ได้ท่องได้บนมากมายนะเป็นหลักหัวใจของศีลของธรรมของกฎหมายอีกแต่ถ้าไม่มีฮิลิโอตปะแล้วจะเรียนจบพระไตรปิฎกก็ใบลานเปล่าเป็นถังก้นทะลุเทน้าใส่เท่าใดก็เก็บไว้ไม่ได้แม้จะเรียนกฎหมายจบทั้งนอกประเทศและในประเทศก็ตามก็เป็นถังก้นทะลุไม่รับน้าไว้ได้โลกโลกก็ต้องเจอแต่ก้างอยู่ตามเคยพวกเราชาวพุทธ จะหวังเอาลูกระเบิดปรมานูเป็นสารนังคจ า, ามิไม่เป็นที่ฟึ่งอันกเกษมกลายเป็นปรมานูเวรัยอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆมีพระมหาขุนอันไม่มีประมาณผู้มีปัญญาน้อยละลึกได้น้อยผู้มีปัญญามากละลึกได้มากผู้มีเชือกสั้นถึงได้ใกล้ผู้มีเชือกยาวถึงได้ไกลผู้มีกําลังน้อยแบกบของได้น้อย ผู้มีกำลังมากแบกของได้มากผู้ตามัวสนเข็มยากผู้ตาดีสนเข็มได้ง่ายนักสมัยที่อยู่ภูเจ้าก่อตั้งแต่พศสอง0ันห้ารอยติดติดกันมาทั้งฤดูแรงฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้ อ, อนจนถึงขณะกำลังเขียนอยู่นี้เป็นปีพศสองพันห้าอยยสิบสี่พระอาจารย์ที่เทศให้ฟังพร้อมทั้งเขียนเล็กเขียนน้อยเขียนใหญ่เขียนโตประจากายอยู่ พร้อมทั้งขู่เขียนว่าเธอเห็นไหมเธอรู้ไหมเธอเข็ดหลาบไหมพร้อมทั้งเคี่ยมพร้อมทั้งย้อนถามว่าเห็นไหมทุกเกิดเรียนตอบว่าเห็นขอรับผมเห็นไหมทุกแก่เรียนตอบว่าเห็นขอรับผมเห็นไหมทุกเจ็บปวดในสกลกายจีปาทะสัพเพเยนสัพพอนสัพพโลกสัพพะหิวข้าวสัพพกระหายน้ําสัพพปวดอุจจาระปัสสาวะเรียนตอบว่า เห็นด้วยรู้ด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยขอรับผมเธอเห็นไหมความตายเป็นทุกข์ถูกโรคจลาถูกโรคต่างๆทําให้ตายถูกตัดคอถูกยิงตกรถตกลาถูกทุบตีตายตกน้ำตายไฟไหม้ตายตายหงสจิปาเถะตายผอมตายแห้งตายจากเจ้าสายบ่ายเย็นตายจากคุณความดีอันจะพึงได้พึงถึงเธอเห็นไหมรู้ไหมทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นไหม เรียนตอบว่าทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเห็นทั้งรู้กลมคืนกันขอรับผมแล้วเตอเห็นรู้ว่าเป็นธรรมดาอะไรเล่าเรียนตอบว่าเป็นธรรมดาทุกขอรับผมไม่ใช่เป็นธรรมดาสุขเพราะธรรมดามันมีหลายธรรมดาขอรับผมธรรมดาทุกญิงอามิดก็มีธรรมดาทุกข์มิได้ญิงอามิดก็มีธรรมดาสุกยิงอามิดก็มีธรรมดาสุกมิได้ญิงอามิดก็ดีธรรมดา พระนิพพานก็มีขอรับผมเธอทําไมถึงอวดฉลาดตอบเกินคําถามลามบ้าไปเธอใช่อุบายสอนผู้ถามไปในตัวหรือเรียนตอบว่าถ้าเรียนตอบไม่สมเหตุผลบ้างก็เกรงว่าจะถูกเคี่ยงขอรับผมที่นี่เราจะถามเธอต่อไปเธอจงตั้งใจตั้งธรรมตั้งสติปัญญาให้สมดุลกันในปัจจุบันทันการที่นี่ทุกปารถนาไม่สมหวังทุกพัดภาคจากของรักของชอบใจ ทุกประสบสิ่งที่ไม่น่าชอบใจเหล่านี้เธอจะปฏิบัติยังไงเล่าเรียนตอบว่าทุกเหล่านี้เป็นทุกฝ่ายกิเลสต้องโตองอยู่แล้วต้องทำใจพร้อมทั้งสติปัญญาให้เหนือและสูงไปกว่าทุกเหล่านี้ด้วยวิธีเห็นว่าต้องไม่ยืนยันเอาทุกมาเป็นตัวตนเราเขาสัตบุคคลต้องไม่ยืนยันเอาเราเขาสัตบุคคลว่าเป็นทุกไม่ยอมทาใจให้โศกเศร้าด้วยเพราะอานาจ ที่ได้เคยรู้แจ้งในกองนามลูกว่าเป็นของไม่ได้อยู่ในวงแขนของผู้ใดมีหน้าที่เกิดขึ้นและแปลไปแต่สลายไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นธาตุของผู้ปาฏนาและไม่ปาถนาถ้าไม่ยอมละยอมถอนความเข้าใจผิดตอนนี้แล้วก็จะทุกข์ใจทวีคูณไม่มีประตูจะดับทุกได้เพราะส่วนนี้เป็นทุกข์ที่ควรละด้วยปัญญาอันอรอบคอบเพราะทุกเหล่านี้มันเนื่องมาจากทางวัตุนิยม หวังอยากจะให้อยู่ในวงแขนและกำมือของตนคล้ายกับว่าจะกรอบเอาดินทรายกำเอาดินทรายแต่มิให้เล็ดรอดมือของตัวเลยคล้ายกับจะปั้นน้ำให้เป็นตัวรูปสัตว์รูปคนไปต่างๆย่อมเป็นไปไม่ได้ก็ต้องทวนกระแส ด, ดูความเข้าใจผิดของตนแล้วก็ปล่อยวางความหวังแบบโง่ๆเสียปัญญาก็เหนือสูงขึ้นจากความหลงแล้วไม่สามารถจะกลับคืนความหลงคืนได้ง่ายๆเลย เวียไว้แต่สติปัญญาอ่อนกว่าความหลงในตอนนี้ถ้าสติปัญญาเหนือจากความหลงในตอนนี้แล้วก็เหนือจากความโง่ไปหมดทุกประเภทความโง่จะขบฏคืนไม่ได้ชนะความหลงตอนนี้แล้วไม่มีประตูกับคืนแพ้อีกเลยโลกุตตรละจิตโลกุตตะะธรรมผู้มีศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อมีวิริยะในสิ่งที่ควรเพียรมีสติในสิ่งที่ควรระลึกได้ มีสมาธิในสิ่งที่ควรตั้งมัน่นมีปัญญาในสิ่งที่ควรรอบรูเป็นกองทัพธรรมสมดุลกันแล้วย่อมเป็นช่างสารมหากำลังใหญ่ความหลงที่เรียกว่าอาวิชชาจะตั้งกองพลเข้ามาทางประตูใดความหลงย่อมอยู่ใต้อำนาจของธรรมแท้่ใจแท้่ศรัทธาแท้วิริยะแท้สติแท้สมาธิแทรปัญญาแทรเพราะทำเหล่านี้ขึ้นสู่โลพุตละแล้ว ไม่มีเทวดามารกลมและมนุษย์ใดๆจะปลดกเกษียณเราให้ลงสู่โลกีได้โลกุตตระจิตโลกุตตระธรรมมิใช่ทำหลวงโลกมิใช่ปู่ทวดญ่าทวดตาทวดยายทวดปู่ย่าตายายพ่อแม่หลวงโลกเพราะข้ามปุตชนโคตรไปแล้วไกลไม่อาลัยว่าจะหลวงตนจะหลวงโลกเหมือนโลกียาวิสัยที่หนักไปในทางอา m i ต h サรนังขจามิที่เที่ยวกว่าต้อนผู้อยู่ระดับเดียวกันเขา้า ให้เป็นพักตามกรรมนิยมกรบันดาลเนี่ยวลังตั้งเจตนาและความหวังก็เป็นไปตามโลกีใกล้จากโลกุตตะจนมองไม่เห็นจะเห็นกันได้ไง่ายๆก็เพียงกายและความประพฤติเป็นบางส่วนเท่านั้นเว้นไว้แต่จำพวกพระอริยะจำพวกเจโตปริยญาณเท่านั้นเหลือนั้นก็เดาด้านคาดคะเสนผิดบ้างถูกบ้างแต่ต้องผิดนั้นแหละเป็นส่วนมากผู้เห็นภัยอย่างเต็มที่ในสงสาร ทั้งอดีตอนาคต tricks, ทั้งปัจจุบันนั้นกับผู้สนใจในทางปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็ดีกับผู้ไม่ประมานอนใจนั้นก็ดีกับผู้สนใจในธรรมเพื่อหลุดพ้นนั้นก็ดีกับผู้เชื่อมรักผลนิพพานนั้นก็ดีกับผู้ไม่ตีตนตายก่อนไข้นั้นก็ดีกับผู<ล>้เลือกเป็นธรรมเลือกเป็นใจในธรรมที่ควรเลือกในใจที่ควรเลือกนั้นก็มีความหมายอันเดียวกันส่วนท่านผู้เห็นภัยในสงสารอย่างเต็มที่ และผู้ปฏิบัติทําให้สมควรแก่ทำอย่างเต็มที่นั้นก็ดีกับท่านผู้พ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงอย่างเต็มที่นั้นก็ดีกับท่านผู้พ้นจากผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันนั้นก็ดีแล้วไม่ติดข้องอยู่ท้งผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันนั้นก็ดีกับผู้ไม่ติดอยู่ในนิมิตฝ่ายรูปประคันก็ดีกับผู้ไม่ติดอยู่ในอารูปคือนามขันนั้นก็ดี กับผู el el ้ไม er <mar> ่ติดอยู่ในสัพพธาทั้งปวงก็ดีกับผู้ไม่ติดอยู่ในสัพพธรรมทั้งปวงก็ดีกับผู้ไม่ติดอยู่ในสัพพจิตทั้งปวงก็ดีกับผู้ไม่ติดอยู่ในสัพพัตตาทั้งปวงก็ดีกับผู้ไม่ติดอยู่ในสัพพานัตตาทั้งปวงก็ดีกับผู้ไม่ติดอยู่ในสูนย์สรนสารทั้งปวงก็ดีกับผู้ไม่ติดอยู่ในสมมติและวิมุตติก็ดีกับผู้ไม่ติดอยู่ในได้ในเสีย กับผู้ไม่ติดอยู่ในอุปาทานก็ดีย่อมมีรสชาติและความหมายอันเดียวกันเหลือวิสัยที่จะบัญญัติและสมมติไปแล้วไม่เป็นธรรมที่ชาวโลกจะเอามือซื้อมาขายมาใจ่ายในตลาดโลกได้เพราะไม่ใช่ทำลิเกละครและกีฬาและฉายหนังภาพยนตร์โทรทัศน์ใดๆทั้งสิน้นผู้เขียนก็เขียนไปตามจิตตาสังขารท่านผู้อ่านผู้ฟังก็ต้องอ่านต้องฟังไปตามจิตตาสังขาร ปัญหาก็หาจบไปเอง